มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาอุปมากถาปัญหามักกตะกะวักที่หกเรื่ององค์แห่งมแมลงมุมทำรังใกล้ทางประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่า พันเตนาคเสนาะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาคเส์อันปรีชาเฉลิมประาดผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าองค์แห่งมแมลงมุมทำรังใกล้ทางอย่างหนึ่งนั้นเป็นประการใดพระนาคเส์จึงถวายพระพรว่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตร์อันประเสริฐธรรมดาว่ามแมลงมุมนั้น ย่อมชักใหญ่เป็นข่ายเป็นเพดานไว้สัตว์ทั้งหลายคือแมลงวีและแมะลงวันบินไปติดอยู่ที่ขายที่เพดานนั้นแมลงมุมก็บริโภคสัตว์ที่ติดขายนั้นเป็นพักสาหารยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรเจ้านั้นก็ขึงเพดานคือสติปัฐานและปิดทวารทั้งหกไว้ มาดว่าแมลงวันคือกิเลสได้เข้าไปติดอยู่ในเพดานนั้นก็พึงจับฆ่าเสียฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งแมลงมุมชักใหญ่ยุติด้วยคำอันพระอนุรุทธเทระเจ้ากล่าวไว้ว่าวิตานังเยวะฉะทวารสุสติปัฐานะวรุตมังกิเลสาตัถละลักเทตวา หันตัปพาเตาวิปัสกาแปลความว่าธรรมดายโยคาวจรเจ้าอันเรียนวิปัสนาพึงขึงเพดานคือสติปัฐานปิดทวารทั้งหกไว้เมื่อกิเลสเข้าไปคล้องอยู่ก็จับค่าเสียดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งทารกอันดูดนมมารดาประการหนึ่ง สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าอันปรีชาเฉลิมปราดองอันหนึ่งแห่งทารกอันดูดนมมานดานั้นอย่างไรเล่าพระนาคเสนจริงถวายพระพรว่ามหาราชะดุราณะบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าทารกที่ดูดนมมารดานั้น ย่อมสแสวงหาประโยชน์ด้วยน้ำนมร้องให้อ้อนวอนกินนมมารดายะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงสแสวงหาประโยชน์แห่งตนพึงรักซึ่งธรรมทั้งหลายหมายประโยชน์และประกอบความเพียรอยู่ในที่อันสงัดพึงซ่องเสพกัลยาณมิตรอันสมควรพอใจอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ พึงเล่าเรียนซึ่งพระอัตกถาบาลีอันจะเกิดประโยชน์แห่งตนฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งพาละทารกดูดนมมารดาสมด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาปรินิพพานสูตรมีในทีฆะนิกายว่าอิงคะตุมเหอานันะทะสัทเถวายะามัถะ สัทเถอนุยุนชะตาสัทเถอะอปปมาตาอาตาปิโนปหิตตาวิหรธามีความว่าอานันทะดูกะระสําแดงอานณน์อิงคะดังตถาคตจะเตือนท่านจงพยายามในประโยชน์แห่งตนอนุยุนชะตาจงประกอบซึ่งประโยชน์ตนท่านอย่าได้ประมาทในประโยชน์ตน จงเป็นผู้มีความเพียรส่งจิตไปในสมาธิดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งเต่าเหลืองประการหนึ่งสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามด้วยองค์อันหนึ่งแห่งเต่าเหลืองสืบต่อไปว่าพระนาเคเสนจึงถวายพระพรว่า มหาราชดูราณะบอพิทธพระราชสมภารผู้มีศัก์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐเต่าเหลืองนั้นกลัวน้ำเชี่ยวหลีกน้ำไปมีอายุยืนด้วยไม่ลงน้ำยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจอนเจ้าพึงกลัวภัยในความประมาทมีสภาวะเห็นคุณอันประหลาดวิเศษในอัปปมาทะเห็นภัยในความประมาท ก็ไม่ได้เสื่อมถอยแล้วก็เข้าไปสู่ที่ใกล้แห่งพระนิพพานมีอุปมาฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์อันหนึ่งแห่งเต่าเหลืองยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพะควันตะปอพิจเจ้าตรัสเทศนาไว้ในพระธรรมบทว่าอัปมาทะระโตพิขุปมาเทพยะทะสิวาอภพโพปริหานายะ นิพพานนเสวะสันติเกแปลความว่าพระโยคาวาจรนภิกษุยินดีในความไม่ประมาทและเห็นภัยในความประมาทเมื่อประพฤตตามโอวาท ด, ดังนี้ก็มิเสื่อมไกลมิช้ามินานก็จะได้สำเร็จแก่พระอมตะมหานิพพานดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งป่าชัดห้าประการ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีบรมกษัตริย์จึงมีพระราชโอการตรัสถามด้วยองค์ห้าแห่งป่าชัดสืบไปพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอาัคารกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่าป่าชัดย่อมปกปิดไว้ซึ่งคนไม่สะอาดได้ยะถามีครุวนาชันใด พระโยคาวาจรเจ้าพึงปกปิดไว้ซึ่งบุคคลผิดเหมือนป่าบาังไว้ซึ่งคนไม่สะอาดฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งป่าชัดเป็นปฐมปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศัก์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐป่าชัดนั้นศูญย์เปล่าไม่มีคนไปมายถา มีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงกาจัดเสียซึ่งราคะโทสะโมหะให้สูญจากสันดานปานดังว่าป่าชัดฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งป่าชัดคำรบสองปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัคราษตร์อันประเสริฐปะวะนัง อันว่าป่าชัดนั้นเป็นที่สงัดเงียบยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงสงัดจากอากุศ ล, ลจิตอันลามกซึ่งเป็นจิตของปุทุชนมิใช่จิตอริยะฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งป่าชัดคำรบสามปุณณจะปารางังอีกประการหนึ่งเล่าปะวะนังอันว่าป่าชัด สันตังสงบระงับปริสุดทางบริสุท์ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็พึงกระทําจิตให้สงบระงับให้บริสุท์อย่าได้มีมานะและมกคะลบหลู่ท่านฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งป่าชัดคำรบสีปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐปะวะนังอันว่าป่าเป็นที่อันพระอริยเสบยัถามีคารุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็พึงสงัดจากกิเลสอันเป็นที่พระอริยเสพดุจป่าฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งป่าชัดคำรบห้ายุติด้วยพระพุทธฎีกา ที่ตรัสไว้ในสังยุตตนิกายอันประเสริฐว่าปวิตเตหิอริเยหิปหิตเตหิวินยุพินิจังอารัฐวีริเยหิปันดิเตหิสหาวเสมีความว่าพระโยคาวจรภิกษุพึ่งอยู่รวมกับด้วยบัณฑิตผู้สงัดใกล้จากกิเลสทรงจิตไปในสมาธิเป็นนักปราชประรูปความเพียรอยู่เป็นนิจ ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งรุกคชาตสามประการสมเด็จพระนาราธิบดินมิลินเลิศกษัตริย์จึงมีพระราชองค์การตรัสถามโดยองสองประการแห่งลุกคชาติต่อไปพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าลุกคชาติต้นไม้นั้น ปุบผะพละทโรส่งไว้ซึ่งดอกแลลผลยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าก็ส่งไว้ซึ่งผลกล่าวคือพระวิมุตติส่งไว้ซึ่งดอกคือพระสามัญยะบุปผาฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งลุคชาติเป็นปฐมปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราช ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตร์อันประเสรศิฐรุโข อ, อันว่ารุขขชาติต้นไม้ย่อมให้คนอาศัยร่มฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึ่งกระทาปฏิสันฐานเป็นอามิตระปฏิสันฐานและธรรมะปฏิสันฐานกับด้วยบุคคลอันเข้าไปสู่สานักฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งรุกขชาตคารบสอง ปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิทพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่าไม้แล้วย่อมมีร่มแผ่ไปคนอาศัยได้ทั่วทุกคนจะได้เลือกหน้าหามิได้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็มิได้เลือกหน้าแผ่เมตตาไปแก่คนทั่วไป แม้จะเป็นปัจจามิตรข่าศึกหรือไม่ใช่ก็ดีก็แพ่ไปให้เหมือนกันด้วยบทว่าอิเมสตาอเวราอัพยาป ช, ชาอนีคาสุขีอตานังปริหารยุงแปลว่าอิเมสตาสัตว์ทั้งหลายนี้อเวราอย่ามีเวรอัพยาป ช, ชาอย่ามีพยาบาทจองเวร อะนีคาอย่าได้มีทุกข์สุขีมีแต่ความสุขปริหรยุงพึงเลี้ยงรักษาอัตานังซึ่งตนดังนี้ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งรุคชาติที่คำรบสามยุติด้วยคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเทระเจ้ากล่าวไว้ว่าเทวทัตเตวัฒกรรมหิโจเรอังคุลิมาลเก ธนปาเลราหูเลจะสัพพัทธะสมโกมุนีมีใจความว่าสมเด็จพระมหามุนีบรมศาสดามีพระไัยประกอบด้วยพระมหากรุณาเมตตาแก่พระราหุนเถระฉันใดน้ำพระไถยของสมเด็จพระสัพพัญยูเจ้าก็ประกอบไปด้วยเมตตาในพระเทวทัตอันคิดจะฆ่าพระองค์ และองคุลิมาณโจรอันไล่ฆ่าพระองค์และช้างธนปาลหัตถีอันเทวทัตปล่อยเข้าไปและน้ำพระทัยของสมเด็จพระมหาการุณาธิคุณเจ้าก็แผ่พระทัยเมตตาแก่พระราหุลดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งเมฆห้าประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี จึงมีพระราชค์การตรัสถามด้วยองค์ห้าประการแห่งเมฆต่อไปพระนาคเสนวิสัชนาว่ามหาราชดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักเป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐเมโคโนามะชื่อว่าเมฆคือฝนย่อมกำจัดเสียซึ่งมนทินเหงื่อใครให้หายไปยะถามีครุวนาฉันใดพระยุขาวจรเจ้า พึงระ ง, งับเสียซึ่งเหงื่อใครคือกิเลสดุจเมฆฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเมฆเป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชาสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐเมฆโคอันว่าเมฆอันให้เป็นฝนยังภูมิดลที่ร้อนให้ชุ่มชื่นยะถามีครุวนาฉันใด พระโยคาวาจรเจ้าก็ยังมนุสโลกกับทั้งเทวโลกให้ดับเสียซึ่งทุกข์ด้วยเมตตาภาวนามีขรุวนาปานดุจเมฆฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเมฆคำรบสองปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐเมโฆโคอันว่าเมฆนี้ ยังพืชในภูมิดนให้งอกงามยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้ายังพืชคือศรัทธาแห่งสาธุชนสัตตปุรุษทั้งหลายให้จำเริญคือให้ได้ติวิทะสมบัติสามประการคือมนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นยอดสุขดุจเมฆฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งเมฆคำรบสามปูณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัคราษตร์อันประเสริฐเมฆโคอันว่าเมฆนี้ครั้นถึงฤดูแล้วก็ตั้งขึ้นให้ฝนตกลงมาเป็นอุทกะสมุทฐานคือเป็นที่เกิดแห่งน้ำย่มอมยังไม้ไล่และกอหญ้าเถาวัน ให้งอกงามจำเริญขึ้นแล้วรักษาไว้ได้ยะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวาจอเจ้าพึงยังโยนิโสมนสิการให้เกิดขึ้นรักษาสมณะธรรมไว้ด้วยโยนิโสมนสิการเพราะธรรมทั้งหลายมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลทุกประการฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเมฆคำรบสีปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่า มหาราชะดุราณะบอพิษพระราชสมภารผู้มีศัก์เป็นอคัครกษตร์อันประเสริฐเมฆนั้นเมื่อบันดาลให้ฝนตกลงมายังแม่น้ำและสะโบคารีและบ่อซอกทานและที่ลุ่มทั้งหลายปริปูเรติให้เต็มไปอุทกะทาราหิด้วยท่อทานแห่งน้ำยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า ก็ยังท ร, รมเมฆคือพระไตรปิฎกและพระโรกุตระธรรมเจ้าให้ตกลงในน้ำจิตแห่งคนอันปรารถนาพระโรกุตระธรรมเจ้าให้เต็มบริบูรณ์ดุดเมฆฝนอันยังนาทีสะโบกคารณีให้เต็มบริบูรณ์ยะถาก็มีอุปมาเหมือนดังนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งเมฆคำรบห้า ยุติด้วยคำที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเ จ, เจ้ากล่าวไว้ว่าโพธเนยยังประชังท ah ิสวาสตะสหัสสังป an ิโยชนังคเนนะอุปคันตวานะโพเทติตังมหามุนิมีความว่าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเป็นจอมมหามุนีผู้ประเสริฐทิสวาพระองค์ออกจากพระกรุณาสมาบัติ พิจารณาดูโพธเนยศสัตร์อันควรจะรู้มรรคผลเมื่อพระองค์เห็นโพธเนยชนแล้วถึงทางจะไกลทั้งแสนโยชนก็อุตสาหาเสด็จไปโปรดโพเทติตังยังฝูงเวนยโพธนยศัตร์นั้นให้ตรัสรู้มรรคผลโดยควรแก่ขณะดังนี้ขอถวายพระพรเรื่อง องค์แห่งมณีรัตนสามประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอ่งการตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาเฉลิมปราดที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าองค์แห่งมณีรัตนสามประการนั้นเป็นอย่างไรพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ มณีรัตนังนามะขึ้นชื่อว่ามณีรัตนะเอกันตะปริสุทธังบริสุทธ์โดยแท้ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็เลี้ยงชีวิตเป็นเอกันตะบริสุทธ์ดุดแก้วมณีฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งมณีรัตนะเป็นปฐมปุณจจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมณีรัตนังอันว่ามณีรัตนนั้นมิได้เจือไปด้วยมุนทินสิ่งอันใดอันหนึ่งยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวะจรเจ้าก็มิได้เจือไปด้วยสหายปาปมิตรใจบาปดุดมณีรัตนะ์อันมิได้เจือด้วยมุนทินสิ่งใดฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งมณีรัตนะคำรบสองปุณณะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมณีรัตนังมณีเป็นชาติรัตนะคือประกอบด้วยแก้วอันมีชาติยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าย่อมอยู่ด้วยท่านอันมีชาติอันอุดม คือท่านผู้ตั้งอยู่ในพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์เป็นเศขะบุคคลเป็นภระสมังคีและท่านที่ได้ไตรวิชาได้อภิญญาหกดุจมณีอันควรจะอยู่ด้วยชาติมณีฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งมณีรัตนะคำรบสามยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหาการุณา ตรัสไว้ว่าสุธาสุเทหิสังวาสังกับเปยยะโวปติตสตาตะโตสมัคานิปากาทุกขัดสันตังกฤตตะแปลความว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์และมีสติชอบแต่จะอยู่ด้วยพระภิกษุที่มีศีลบริสุทธิ์แต่นั้นไปก็จะสมัครสมุสรมีปัญญารักษาตนแก่กล้าขึ้น ทุกขัดสันตังกริสสะทาก็จะพองแพ้วกระทําซึ่งที่สุดแห่งความทุกได้ดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งพระเนื้อสี่ประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามต่อไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระหน้าคเสณผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาฉเฉลิมประราด พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้ว่าองค์สี่แห่งพรานเนื้อนั้นเป็นประการใดพระนาคเกษ็จจริงวิสัชนาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าพรานเนื้อเมื่อแสวงหาเนื้อก็มิได้หลับนอนย่อมปราศจากเงียบเหงาหาวนอนยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้า ก็ปราศจากกลับดุดพราเนื้อฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพราเนื้อเป็นปฐมปุณณจะปรงังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐมาคะวิโกพราเนื้อนั้นผูกจิตคิดแต่จะฆ่าเนื้อยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวจรเจ้า ก็ผูกอารมณ์ที่จะได้ทำรรมวิเศษดุดพรานเนื้ออันผูกจิตอยู่ด้วยเนื้อฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพรานเนื้อคํารบสองบุญะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอาาัครกษัตริย์อันประเสริฐพรานเนื้อย่อมรู้จักการที่จะยิงเนื้อนั้นยะถา มีคารุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าพึงรู้ว่าการนี้เป็นการชมชานการนี้เป็นการที่จะออกจากชานดุจพระเนื้ออันรู้การที่จะยิงเนื้อฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระเนื้อคำรบสามปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะ ดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอะะัครกษัตริย์อันประเสริฐมาควิโกพราเนื้อเห็นแล้วซึ่งเนื้อย่อมยังความยินดีให้บังเกิดว่าอัตมาจะได้เนื้อตัวนี้ยะถามีคารุวัณอาฉันใดพระโยคาวจรเจ้าได้อารมณ์อันน่ายินดีแล้วก็ยังความยินดีร่าเริงให้บังเกิดว่า อาตมาจะได้ซึ่งธรรมวิเศษอันวิเศษฉดนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพระเนื้อคำรบสียุติด้วยคำอันที่พระโมคคัลลานะเทระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าอารัมมะเนลพิตตวาปหิตเตนะพิกุนาพิญโยหาโสชะเนตโพโภอธิคัดฉามิอุตริงแปลความว่าพระโยคาวจรเจ้า ผู้ตั้งความเพียรทรงจิตในสมาธิบำเพ็ญภาวนาได้อารมณ์แล้วก็มีความยินดีร่าเริงบังเกิดขึ้นว่าเราจะได้บรรลุธรรมวิเศษยิ่งขึ้นไปดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งพรานเบ็ดสองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสถามด้วยองค์สองแห่งพรานเบ็ดต่อไป พระนาค เ, เสนจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษพระราชสมผานผู้มีศัก์เป็นอครกษัตร์อันประเสริฐธรรมดาว่าพรานเบ็ดย่อมตกปลามาด้วยเบ็ดยะถามีขรุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าก็ตกเอามาซึ่งสามัญญผลอันยิ่งด้วยเบ็ดคือปัญญาดุดพรานเบ็ดตกปลาฉันนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งพรานเบ็ดเป็นปฐมบุณะจะปรังประการหนึ่งเล่ามหาราชะขอถวายพระพรพรานเบ็ดนั้นใส่เหยื่อแต่น้อยก็ได้ปลาตัวใหญ่ยะถามีครุวนาฉันใดพระโยคาวาจรเจ้าสละเสียซึ่งโลกามิตรอันน้อยก็ถึงซึ่งภาวะได้วสีในพระสามัญญผลอันไพบู์ ดุดพรานเบ็ดเสียเหยื่อน้อยได้ปลาใหญ่ฉะนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งพรานเบ็ดคำรบสองยุติด้วยคำอันพระราหุนเถระเจ้ากล่าวไว้ว่าอนนีิมิตตังวิโมคขังวาสุญญาตาปนิหิตังปิจัจตาโรโอพเลชละพิญญาวัชิตตวโลกามิสังละพติมีความว่าพระโยคาวาจรเจ้า สละซึ่งโลกาลมิตรเสร็จแล้วทำความเพียรไปก็ได้สำเร็จอ น, นิมิตะวิโมกสุญญาตาวิโมกอปนิหิตะวิโมกและผลสี่อภิญญาหกดังนี้ขอถวายพระพรเรื่ององค์แห่งช่างถากไม้สองประการสมเด็จพระเจ้ามิลินปูมินทราธิบดี จึงมีพระราชโอการตรัสถามด้วยองสองแห่งช่างถากไม้ต่อไปพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐธรรมดาว่าช่างถากไม้นั้นย่อมอนุโลมแลดูตามสายบรรทัดทอดแล้วถากตามสายบรรทัดไปยะถามีขรุวนาชันใดพระโยคาวาจรเจ้า ก็อนุโลมตามคำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรเจ้ายืนเหนือพื้นปัตถีกล่าวคือศีลเอาพระหัตต์กล่าวคือพระศรัทธาจับแล้วซึ่งขวานแก้วคือพระปัญญากิเลสตัดเฉตตบผ่าก็ถากเสียซึ่งกิเลสทั้งหลายให้สูญหายเหือดแห้งไปจากสันดานปานประดุดนายช่างถากไม้ฉะนั้นนี่แหละ เป็นองค์แห่งช่างถากไม้เป็นปฐมปุณณจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชะดุรานะบพิษพระราชสมภารผู้มีศักดิ์เป็นอัครกษัตริย์อันประเสริฐธรรมดาว่านายช่างถากเพกคุงอปะหาริตวาวาถากเสียซึ่งกระพีถือเอาแต่ไม้ที่เป็นแก่นสารยะถามีครุวนาชันใด พระโยคาวาจรเจ้าก็เหมือนกันทากเสียซึ่งทิฏฐิคือความยึดถือเป็นสัจสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอันมีประการเป็นอันมากเป็นดังกระพีพอกอยู่หาแก่นสารมิได้นั้นเสียเลือกถือเอาแต่ธรรมที่มีแก่นสารคือพิจารณาเห็นเที่ยงแท้ว่าสังขารธรรมนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา ดังนี้ฉันนั้นนี่แหละเป็นองค์แห่งช่างถาคำรบสองยุติด้วยพระพุทธดีกาที่สมเด็จพระมหาการุณาสัมมาสัมพุท ธ, ธสัพพันธ์อยู่เจ้าตรัสไว้ว่าการนันทังนิธรรมถะการสำพุงอวะกัสถากาโตปลาสังวาเหธะอัศมเนสัมณะมานิเกนิธมิตวานาปาปิเฉ ป้าปะอาจาระโูจริ ส, สุทธาสุเทหิสังวาสังกับปะยะวะโหปติสตามีความว่าท่านทั้งหลายพึงปัดเป่าเสียซึ่งความมืดมนอ น, อนทการอันเป็นต้นเหตุคือมิจฉาทิฏฐิเสแล้วพึงกวาดอยากเยืย่และเชื้อฟางดุจกิเลสให้สิ้นเชิงเกียกรติกันไม่คบหาคนที่ไม่ใช่สมณนะอันปฏิญญาตนว่าเป็นสมณนะ ซึ่งมีความปราถนาอันลามกมีความประพฤติและขูจรอันเลวทรามแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดประกอบด้วยสติจงสำเร็จความเป็นผู้อยู่กับด้วยท่านที่บริสุทธิ์หมดจดมิใช่คนลามกเลวทรามดังนี้ขอถวายพระพรจบมักคตกะวักที่หแต่เพียงนี้ในที่สุดวักนี้พระคันธรั จ, จนาจารย์เจ้า ผูกอุทานคาถากล่าวหัวข้อบทมาติกาที่แสดงมาแล้วข้างต้นนั้นไว้ว่ามักกตะโกทารโกกุมโพปะวะนังรุขโขจะปัญจมโมเมโคมณิมาควิกูภาลิโสตัชเกณวามีความว่าองค์แห่งแมลงมุมองค์แห่งทารกองค์แห่งเต่าเหลืององค์แห่งปลา องแห่งไม้องแห่งเมฆองแห่งแก้วมณีองแห่งพรานเนื้อองแห่งพรานเบ็ดองแห่งช่างทากเหล่านี้ท่านจัดเป็นวรรคอันหนึ่งดังนี้แล